เรามาดูอย่างประโยชน์ในด้านของอนุสติที่พระองค์ทรงหมายเขาไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความหนายเนี่ยนิพ เ, เพื่ อ, อนิพิทานเนี่ยอนุสติทุกข้อนี่นะเริ่มตั้งแต่ที่พุทธานุสติธรรมานุสติจนถึงจาคานุสติสีลานุสตินี่หยถามว่าเราเดินทําไมเราให้ทานเนี่ยหนึ่ง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 นี่น enfin ่ะบอกเพื่อความหนายเนี่ยประโยชน์เลยนะประโยชน์ของการเจริญจาคานุสติและศีลานุสติเนี่ยเพื่อความหนายเนี่ยเบื่อหนายละอาเนวะตนะเบื่อหนายละอาเนวะตะเห็นไหมว่าทานกุศลศีลกุศลเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหนายละอาเนวะตะโดยส่วนเดียววตตคืออะไรกิเลสวัตกรรมวัตและวิปากวัตนี่คือวัตะ์ใช่ไหมหรือ าปปกา ร, กรกเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าโดยสัตว์บุคคลเกิดแก่เจิตตายก็คือการจากมนุษย์จากมนุษย์ไปเป็นอบายสัตว์ก็ได้เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตรบ้างอสุรกายมนุษย์เป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยสรุปก็คือมาสรุปโดยสภาวะธรรมก็คือกิเลสเป็นเหตุได้ทํากรรมกรรมก็ทําให้ได้วิบากมีวิบากก็เกิดกิเลสใหม่เกิดกิเลสใหม่ก็ทํากรรมใหม่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 โอโหน่ารักน่ารักจริงๆโอ้โหแก้มจำม่ำเลยอย่างนี้หรือว่าเดีวขาแทจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไ้มถ้าดูอย่างนี้เป็นไงเนี่ยฮะเอาดูยังไงว่าสะเทือนใจเลยไหมเห็นแล้วเนี่ยแล้วเห็นแล้วโอ้โหสวยจริงๆน่ารักตาใสแจ๋วอะไรอย่างนี้เปล่าเห็นเงี้นึกอย่างเงี้ยเป่า ลองด right? ูจริงๆลองถามใจเราดูจริงๆที่อจารดาเห็นแล้วเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมน่ารักเห็นไมเนี่ยเห็นแล้วน่ารักอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าไม่นายไม่นาย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 ทำไมถึงบอกไม่ไม่บอกว่าน่ารักก่ะเอาสิแต่นี้ทั้งๆ ท, ที่อัดเดียวกันเลยนะ่นเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะ่นเนี่ยและสภาพเดียวกันด้วยนะ่นเนี่ยเพราะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันอนะเนี่ก็คือสภาพอแต่พอเราเห็นสภาพอย่างนี้เราบอกว่าเราไม่น่ารักเลยเห็นสภาพน่าสยดสยองเราคิดอย่างนั้นใช่ไหม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 คายก็คือการละนั่นเองเพื่อสํารอกก็คือเพื่อปราศจากไปจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิว่าจะสํารอกไอสำรอกคือการอาจียนออกมานี่ยสรอกกิเลสทีนี้ตอนเนี้ยกิเลสมันไม่ถูกสํารอกใจเราเกิดที่ไร ก, กิเลสก็เกิดจิตเกิดขึ้นเมื่อไรคิดในเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อไรเนี่ยความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความโกรธความหงุดหงิดพุ่งซ่านเนี่ยมันก็เกิด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 ที่สุดจริงๆมันก็บงการชีวิตเราได้แต่ถ้ากุศลเนี่ยมีกำลังสติมีกาลังนะที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่สามารถมาบงการกระแสะชีวิตของเราใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าเพื่อกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นเหล่านี้จะไม่ได้ดำาเนินต่อไปแล้วเพื่อปราศจากกิเลสมีราคาเป็นต้นนี่โรธายะก็เพื่อดับกิเลส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 นักเข้าท่านจะยกขึ้นสู่ตรยลักษณ์เพื่อมาวิจัยใหม่ๆใหม่ๆทำจิตให้แข็งแรงด้วยกุศลก่อนเมื่อกุศลนั้นเกิดในใจแข็งแรงเบ็ดเสร็จอ่อนควรต่อการงานเบ็ดเสร็จแล้วนักเข้าก็ยกยกสภาวธรรทั้งหลายสู่ไตรลักษณ์วิจัยเลยเดียว๋วนี้นะวิจัยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามนักเข้านักเข้าก็ทายถอนแล้วก็ละกิเลสได้อย่างเด็ดขาด